เรื่ทงางนที่ทำ เหมือนกันพวกเรามีความทุกข์เหมือนกันนะทุกคนเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ไม่ใช่แต่เฉพาะพวกเราที่อยู่ในที่นี้นะที่จริงไม่แต่คนอื่นสัตค์อื่ น, นนะที่เราอาจจะไมรู้จักเลยนะแต่เขาก็ยังมีความทุกข์เช่นเดียวกันนะทุกข์พราความเกิดทุกข์พราความแก่ ความตายทุกข์เพราะความพัดพาสูญเสียทุกข์เพราะความประสุกับสิ่งที่เนี่ยไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจนีทุกเราเนี้ยมันเป็นสิ่งที่พวกเราเจทุกคนจะเรียกว่าธรรมะเนี่ยเป็นญาติกับทุกคนก็ได้เนี่นั้นธรรมะเนี่ยเป็นญาติกับพวกพวกเราทุกคนเลยในโลกนี้ หรือโลกในไหนก็แล้วแต่ธรรมะไม่เลือกที่รักไม่มักที่ชั่งให้ความแก่กับทุกค น, นให้ความเจ็บกับทุกคนให้ความตายกับทุกคนให้ความาพัดผ้าสูญเสียกับทุกคนให้ความสลด ก, กับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจกับทุกค น, น, นให้กับทุกคนไม่เลือก ไม่เลือกหน้าไม่เลือกฐานะไม่เลือกการศึกษาแต่กล่าวว่าจะให้ตอนไหนนะเป็นสิ่งที่บอกไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องเหนือวิสัยไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นวิสัยของประชาชนที่จะรู้ได้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้มนมาเนี้ยมันเกิดจากเหตุอะไรนะมันทําให้เกิดเหตุเช่นนั้น เน่ธรรมะเขาเสมอเสมอภาพกันเช่นนั้นแต่บางทีพอเวลาเหตุอันนั้นมันเกิดกับเราเนะนหลายคนก็ยอมรับความจรไม่ได้ฉันเริแกแครแล้วเนะมีตีนกาแล้วผมเลิกขาวแล้วไม่พอใจนี่ ที่บ้านเราจะมีของเยอะกว่า น, นี้หลายร้อยเท่านะมีของมีค่ามากกว่า น, นี้ก็เยอะนะแต่ของอายนิดหน่อยนีเราก็ไม่พอใจเราก็ทุกข์ใจนะเหลือเหลืแค่หมดหงุิดใจอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เขาก็เกิดมาเพื่ออะไรเพื่อให้เราได้เรียนรู้นะนั้นความแก่ก็ดีความเจ็บก็ดี ความตายก็ดีความพลาดพาสูญเสียก็ดีหรือการเจอสิ่งกับที่ไม่ถูกใจบ้างก็ดีดีจริงนะถ้าเราไม่เจอสิ่งพวกนี้นะเราจะหลงคิดว่าชีวิตเนี่ยมันมีแต่ความสุขมันมีแต่ความสบายมันมีแต่สิ่งที่น่าพอใจไม่มีอะไรที่ขัดใจเล ย, เยโลกนี้มีแต่สิดีดีทั้งนั้น พอเราเห็นเช่นนี้พอเราได้สัมผัสเช่นนี้นะมันจะทำให้จิตนะของเรานี่มันไม่อยากเนยะไม่อยากจะจากโลกนี้ไปอยากจะอยู่นานๆอยากจะยึดทุกอย่างไว้ให้เป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยมีความสุขก็ขอให้สุขตลอดไปเนะมีความรักก็ขอให้รักตลอดไป มีความหนุ่มมีความสาวก็ ข, ขอให้หนุ่มให้สาวแบบนี้ตลอดไปนะมีความประสบสําเร็จกับการงานกับชื่อเสียงเกียรติยศก็ ข, ขอให้เป็นเช่นนั้นตลอดไปแต่นะเราสังเกตไหมทุกคนมันก็อาจจะมีขึ้นขึ้ น, นลงลงบ้างหรือขึ้นมากขึ้นน้อยบ้างมันก็แตกต่างกันนะถ้าเราเป็นเช่นนั้นนะตลอดไป ถ้าทุกคนเป็นเช่นนั้นตลอดไปมันจะมีที่ว่างให้คนที่เด็กๆขึ้นมาพี่หลังล่ะถ้าหนะ้าที่การงานของเราดีเราทําตลอดเนี่ยคนที่เขาขึ้นจบมาก็าจะมีงานทำเหรอมันก็ไม่มีเนาะถ้าเราเป็นหนุ่มเป็นสาวแบบนี้ต่อไปเรื่อยเนี่ยไม่ตายอย่างโลกเนี่ยโลกนี้จะไม่เต็มเลยคนนะทรัพยากรของโลกมันจะเตพียงพอละ อันเนี้ยเป็นการเป็นการหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านกันนะั่นเป็นธรรมดาเหกับต้นไม้นะบางช่วงบางเวลานะต้นไม้ใหญ่ก็ให้ร่มเงาแก่ผู้คนและสรรพสัตว์นะแต่วันหนึ่งต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นก็ล้มลงนะตายไปแต่มันก็ไม่ใช่เป็นแค่ความสูญเสียกับต้นไม้ใหญ่เท่านั้นนะแต่จริงมันก็มองอีก แ่หนึง่งมันก็เป็นโอกาสให้ต้นไม้เล็กๆที่อยู่ล็อกข้างนั้นนะได้รับแสงที่มากขึ้นให้ได้โตขึ้นมาแทนที่นะอันนี้เป็นธรรมดานะเป็นธรรมดาของของธรรมชาตินะเหมือนพวกเราหลายคนที่อาจจะคิดเราทำไมเกิดมาไม่ทันพระพุทธเจ้าเนาะบางทีเราได้อ่านพระสูตรได้ฟังปิฏิภัก ท่านเราไม้ฟังหลายคนแค่ฟังธรรมพระพุทธเจ้าไม่กี่นาทีนะหรือไม่ถึงชั่วโมงเนะี่ยมาทุ่ทธาเลยง่ายจังแต่เราเนี่ยทำไมฟังธรรมไม่รู้กี่คนแล้วปฏิบัติธรรมไม่รู้กี่คอั้แล้วทำไมมันยังไม่เข้าใจธรรมะเลยนะบางทีรู้สึกติดวางในโชคชะตาในวาสนาของเราเอง แต่จีงเขาควจะเป็นเช่นนั้นเขาก็โดนรู ป, ปคุกคานสะสมคุณงามความดีสะสมบารมีมาเดินท่านมันมันสมบูรณ์นั่นแหละนะมันถึงจะเป็นเช่นนั้นได้เหมือนกับเร า, ววาเอาปุ้ยก็ดีเอานม่ว ง, งก็ดีเนาะมันก็ต้องแค่์พอสมควรนะเอาไปบ่มเอาไปบ่มแล้วมันถึงจะออกให้เป็นผลสุขให้เราได้ แต่ถ้ากล้วยหรือว่าม้วมะม่วงมันยังเป็นลูกเล็กๆนะจะไปบ่มถูกวิธีขนาดไหนมันก็ย่อมไม่ออกมาเป็นผลไห้สุกนะที่เราได้รประทานายัดทานอร่อยได้การปฏิบัติธรรมของเราก็เหมือนกันเนาะไม่ต้องมปเปรียบ เ, เทียบกับใครให้เราตื้อดูดูความเป็นไปของตัวเราเองนี่แหละนะ เราก็จะค่อยๆสะสมความเพียรสะสมสตินะให้เกิดปัญญาขึ้นเรื่อยในตัวของเราเองนี่แหละสักวันหนึ่งปัญญาความรู้ความเห็นความเข้าใจเนะี่ยมันจะเกิดขึ้นนะกับกายกับใจของเราเองนี่แหละค่อยๆทำไปพัฒนะนาพวกนี้ทัานาศน์สัยความเพียรความพยายามนะความอุตสาหะในการ ทำไปเรื่อยๆพวกเราหลายคนมาที่นี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ที่มีมีศรัทธาที่ดีนะเอ่าไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเด็กมาที่นี่ถ้ามีศรัทธาเนะี่ยมายากนะหลายคนแค่ทําบุญตัก บ, บาตรตอนเช้านี่ก็เป็นเรื่องยากแล้วแต่พวกเราเนี่มาปฏิบัติธรรมนี่มันยากกว่านั้นออ ส่องรักษาศีลนนะให้ไม่ไปดูน้ำฟังเทไม่ไปเที่ยวเตได้ร้อนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากการมาปฏิ บ, บัติธรรมเนี่ยเป็นเรื่องเรื่องที่ยากของคนที่ยังไม่มีศรัทธาเป็นเรื่องยากของคนที่ยังไม่มีปัญญานะเป็นเรื่องยากของคนที่อยากจะ่ถนมกิเลส เลี้ยงกิเลสให้มันทำงา น, านแต่มันเป็นเรื่องง่ายสำหรับคนที่มีศรัทธาหรือว่ามีปัญญาอยาทะะกยาที่จะรักกิเลสอยากที่จะลดกิเลสออกไปจากจิตใจมันเป็นเรื่องเรื่องยากของคนทั่ ว, วไปแต่เป็นเรื่องง่ายของผู้ที่นะมีศรัทธาและต้องมีปัญญาพอสมควรนะ หลาท่านก็คงเป็นเช่นนะั้นเราต้องค่อยๆสะสมตรงนี้ไปเรื่อยๆนะสะสมศรัทธาที่เกิดแต่การได้ได้ฟังธรรมก็ดีเกิดจากการได้สวดมนต์ก็ดีเกิดจากการได้พบเห็นกับผู้ที่มีความสงบก็ดีเจอท่นานศรัทธาของเราเนี่ยมันมั่นคงเพราะการปฏิบัติของเรานี่แหละ ปฏิบัติแล้วเราเห็นผลเห็นผลด้วยตัวของเรานี่แหละศนระัทธาที่เกิดในกการเชื่อจากผลในการปฏิบัติของเราเนะี่ยมันจะเป็นศรัทธาที่มั่นคงอ๋อปฏิบัติไปแล้วแต่ก่อนเคยทุกขมากมันทุกขน้อยลงแบบนี้นะแต่ก่อนนี่เคยหลงนะวันวันว น, นี่หลงเยอะตอนหลังๆก็เริ่มมีส ต, ติตื่นเข้ามาบ้าง ไม่ยังหลรธมากอยู่นะหรือแต่ก่อนเคยมุดหีบเคยโมโหเคยจุดเขียวแรงต่อไปก็เริ่มมุดหีบน้อยลงใจเย็น้อยลงยั้งคําพูดอยากจะดายอยากจะเฉียงอยากจะตีนะอยากจะทำายเขาอยากจะกินตามใจนะมันก็เริ่มยัง้งเรื่อมากขึ้นเนี่ยถ้าเราปฏิบัติได้เราจะเก่ง ม, มากเออ เราก็ทําได้เหมือนกันนะแต่ก่อนคิดว่าคนอื่นทําได้ครูบาอาจารย์ทำได้แต่ชันต้องทําไม่ได้หรอกนะฉันกีนดเดชนะปัญญาน้อยแต่พอไปแบบนี้เรื่อยเออกิเดชนะก็บางไปได้สมัยนั้นะนะอปัญญาฉั้นก็มีมากขึ้นแล้วนะทํำใจได้มากขึ้นนะอันนี้แหละศรัทธาก็จะเกิดขึ้นมาเองความเรือมใสอในพรตันตนาใจ มันก็จะเรื่องใสามาโดยที่ไม่ต้องมีใครเชิญชวนบังคับประกาศอันนี้ก็จะเกิดขึ้นมาอันนี้แหละความเข้าใจเรื่องของกายเรื่องของใจเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากการที่เราดูนะกลับมาเป็นผู้ดูนะกลับมาเป็นผู้ดูตัวของเราเองบ่อยๆการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการมาเป็นผู้ดู กาปรปฏิบัติธรรมจะเพียงแค่การอ่านหนังสือการจงวัดเสวนวนเนี่ย บ, นนะบางทีมันยังไม่พอเพราะว่าอะไรความรู้ที่เกิดจากการได้ทามเกิดจากการได้ฟังเนะี่ยบางทีมันเป็นเพียงแค่การจำได้ไหมรู้นะจะเรียกว่ารู้จำก็ได้เราพ่อเทียนตนะ้อบอกว่ามันมีรู้จำรู้จักนะรู้แจ้งรู้จริงนะ รู้จำเนี่ยเนะมันก็จําได้ได้อ่านมากได้ฟังมากก็จำได้เป็นข้อตูงสูตรซึ่งมันก็ดีประหับหนึง่งอย่างเมื่อจำสอบกุณสาที่ผ่านมาแม้ก็มีมีโยงคนหนึ่งนะเป็นคนหนุ่มๆถ้าเท่ากับมานั่นแหละ น, ะนะกลางคนนัแหละไม่หนุ่มมากเขาต้องมาพูดนาด้วยนะเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาผ่าน พระสูตรนะในพระใจพิจดนะจบมาสามรอบแล้วโอ้ไม่ง่ายนะพระใจพิจดเล่นใหญ่พระสูตรนี่มีประมาณยี่สิบเอ็ดเล่นนะของถ้าเป็นของมหาเากุตเล่นใหญ่สองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขันนี่อหถรนี้เล่นสอง 10, มนะหมืห 11, ม่นหนึ่งพันพระธรรมขันอ่านจบมาสามรอบจำได้เยอะ ได้มากกว่าขึ้นะมีการถกเถียงมีการคิดมีการเรีย น, นเป็นหลักสูตรเป็นเป็นหมู่คณะสามารถจําได้สามารถถกเถียงได้อธิบายขยายความได้แต่สิ่งหนึ่งที่เขาพบก็คือว่าความจําที่เกิดจากการรู้ข้วสูตรนในพระไตรปิฎกนยมันจะไม่ช่วยให้จิตใจของเขามันทุกน้อยลง กิเลสเกิดขึ้นความก็จะมีเหมือนเดิมแม้อาจจะรู้จากการคิดได้และรได้แต่มันไม่ค่อยทันทุกทีอะ่าไหร่ความรู้ที่เกิดจากการได้ฟังได้อ่านเนี่ยมันเอายัง ม, มาใช้ได้ไม่ทันทีไม่ ท, ทันการเขาก็เห็นว่าเออสิ่งสําคัญที่เขาได่ต้องมาทําเพิ่มขึ้นก็คือการภาวนาให้เกิด มากขึ้นจริงๆเพราะเห็นแล้วว่าความรู้ที่เกิจดจากการจำนะรู้จำน่ะรู้จัดน่ะน ะ, นะมันยังไม่พอมันต้องทํำเลยต้องเกิดความรู้แจ้งรู้จริงนะการภาวนาเน่ยจะเกิดความรู้แจ้งในตัวของเราเลยโอ้รู้แจ้งในอะไรรู้แจ้งในทุกน์นะรู้ชัดในเหตุที่เกิดทุกแล้วก็ละมันได้ ดูนะดูทุกเนี่ยกายหรือว่าใจนี่แหละครูอาจารย์าสอนว่ามันเป็นตัวทุกนะแต่ใจเราเนี่ยจริงๆมันไม่ค่อยใหญ่เชื่อเนี่ยมันมีทุกตรงไหนแล้วก็พูดระลึกในใจเถียในใจหรืออาจะคิดในใจเฉยไม่ถึงขั้นเถียงแค่ว่าบางทีมันก็สุขบางทีก็ทุกเนาะอย่างเช่นตื่นเช้านะ ถ้าวันไหนนอนไม่พอเอต้องตื่นแต่เช้ามาทํางานมาสวดมนต์ทันวันเนี่ยตื่นเช้ามันฟุกนะแต่ถ้าวันไหนีนอนพอหลับสบายตื่นมามันสุกเนาะในนั้นมันจะรู้สึกเนี่ยายมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่พุกเดี่ยวเดียวนะบางทีก็สุกบางทีก็ทุกนะเออจิตใจชั้นคก็ในฟุกตลอดนะบางวันให้ก็ยิ้มเนี มันในัวหัวเราะมันช่ก็่มีความสุขสลายใจเออแต่บางวันก็มีทุกข์บ้างแหนะอันนั้นอันนั้นเขาเรียก็เวทนาอันนั้นไม่ใช่ทุกในใ น, ในความหมายของนิยศาสตร์จริงๆมันเป็นทุกข์หรือสุขในเรื่องของเวทนาเวทนานคืออาการที่เกิดขึ้นกับ อาการที่เกิดขึ้นกับใจเนะี่ยมันเป็นธรมรมดาบางทีมันก็เกิดความสุขบ้างเกิดความทุกข์บ้างเกิดความเฉยบ้างแต่ถ้าเราไม่มีสติเนะี่ยเราก็จะเข้าไปเป็นคู่ที่มีความสุขบ้างเป็นคู่ที่มีความทุกข์บ้างเป็นคู่ที่เฉยเฉยบ้างนะสุขเราก็อยากจะเอาเ ย, ย, เยอะนะ ทุ้เราก็ไม่อยากจะเอาเลยนะพอเกิดความสุขนะจิตมันก็อยากจะเอาเพิ่มขึ้นอยากจะยึดไว้ไม่อยากให้มันหายพอเกิดความทุกข์เมื่อไหร่ก็อยากจะผลักนอกไปปฏิเสธนะไม่ชอบไม่พอใจอาการพวกนี้แหละนะเป็นอาการของสิ่งที่เรียกว่าเราดื่มตัวเราหลงไปหลงเปปรุงต่อนะโซนเนี่ยเป็นปุงต่อ มันอยู่นานๆทุกข์ก็ไปปรุมต่อให้มันต่ อ, อไปนะอันนี้คือเรียกว่าอาการการปรุมแต่งของจิตใจนะการมีสติจะปฝึกให้เรารู้ทันการปุมแต่งของจิตใจนะมันไหลไหปคิดมีสติรู้ทันนะมันเกิดทุขขึ้นมามีสติรู้ทัน มันเกิดทุกขึ้นมามีสติรู้ทันเมื่อเรารู้ทันสติที่ปุ่มแต่ในใจิตใจอันนั้นแหละเรียกว่าเป็นการรู้ธรรอเห็นกิเลสเกิดขึ้นมามีสติรู้ทันนะเรียว่ารู้ทรรก็ได้จะเรียกว่ามันรู้ธรรมชั่วขณะหนึ่งก็ได้นเห็นความอยากเกิดขึ้นในใจไม่ทําตามความอยากดักความอยากได้นะ มาลู้ทำนิดน้อยเลยนะเอเช่นเด็กๆนะเห็นเห็นขนมนอยากจะซื้อขนมอมืแต่รู้ว่าขนมไม่มีประโยชน์รู้ว่ามันเป็นเพียงแค่ความอยากไม่ใช่ความหิว <c oughs> มบางทีมันหลงกันนะบางทีอาหารการกินขนมเนี่ยบางทีมันอยากกินเไม่ใช่เพราะหิวนะแต่มันอยากนา รู้จักไหมความอยากกับความหิวมันต่างกันพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรานะเนี่ยพิจารณาอย่างการกินกินไปไม่ใช่แบบเพราะความอยากแต่กินไปเพื่อลำบัดทุกเคารพธนาอันเกิดจากความหิวใช่ห mm hmm. เสื้อผ้าใส่เพื่ออะไรปกปิดอวัยวะน้อยใหญ่ไม่ให้เกิดความละอายป้องกันเหงื่อยุ่งลมแดด น้ำลมหนาวสัตื้อยคานทั้งห้ายแต่ไม่ใช่ใส่เพราะว่า น, นี่มันมี่ห้อดีราคาแพงกําลังเทพดาราเขาใส่ยอยู่อันนี้คือความหลงแต่ถ้าเรารู้ทันเออเราใส่เพราะอะไรเรากีนเพราะอะไรจิตของเราก็าจะเบามันก็ตัดเว ล, ลาพอเราเห็นว่าการกระทําของเราบางอย่างเนี่ย มันเป็นไปเพราะว่ามันสนองความอยากเนาะสนองความพอใจเนาะหรือบางทีมันก็สนองความไม่พอใจบางทีนะเช่นบางทีเราก็ทำตามเขาไม่พอใจคนมาว่าเราเนเราไม่พอใจเราก็สนองอ่ะดีไหมสนองก็คือเธอให้แบบในี้ฉันมาฉันก็ให้แบบนั้นเธอคืนนั่นแหละนะตาต่อตาฟันต่อฟัน ด่ามาก็ด่ากลับตีมาก็ตีกลับฟ้องชั้นเหรอฉันก็ฟ้องกลับนีน่คือสนองนะเวนก็ไม่ระงับด้ยการที่จองเบแต่ผูจ้จารัดสอ น, นเรียนย่อมระงับด้วยการที่จองเบคนเขาประทุษรา้ายเราเราเอาความเมตตาความรักกลับเือนไปให้เขานคนที่เขาโกหกเรา เราความจริใจความซื่อสัตย์ไปให้เขาคนที่เขาว่าเราเราสมสงบอเอาความปรารถนาดีกับไปให้เขาเนี่ยมันจะรังรับเขาได้มันจะลดอาการของเขาได้เนี่ยนี่เรียกว่าเป็นการผู้ที่มีธรรมะคือผู้ที่เป็นเช่นนี้นะแต่ตอนนี้เราจะมีธรรมะได้อย่างไร เราจะมีธรรมะได้อย่างไรเราก็ต้องมีจัด ก, การคำเมธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมเลยนะเป็นหลักการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะทำอย่างไรหลายคนก็คงทำเป็นแล้วหลายคนก็อาจจะยังไม่ค่อยแน่ใจว่าเราทำถูกไมเ่เรื่องหลายคนอาจจะยังไม่เคยทำเลยไม่เป็นไรนะ การปฏิบัติธรรมคือการเริ่มต้นเลยนะเรียนรู้กายเรียนรู้จัด ก, กายของเรากายในที่นี้กนะ็คือรูปร่างนะที่เราคิดว่าเป็นเรานี่แหละนะเป็นชั้นนี่แหละนะเรียนรู้จัดมันเรียนรู้จัดอะไรไม่ใช่เรียนรู้จากการคิดแต่เรียนรู้ถ่านกใจกระทํา แล้วก็ดูนะการทำแล้วก็ดูนะเช่นนะ่ะเราก็มีรูปแบบในการฝึกฝึกนั่งยืมมือสร้างจังหวะก็ดีหรือฝึกเดินจังกงก็ดีเนะี่ยคือเรียกว่าเป็นการกระทํานะกินข้าวก็ดีอ่าบนั้ำก็ดีเข้าห้องนั้นก็ดีมีการกรนะทําำกรรมก็คือการกรนะทํำที่จริงเราทํากรรมทุกอย่างแหละ จะตั้งใจไว่ตั้งใจเนะี่ยเรียกว่าการกระทําหรือว่ากรรมเนี่ยเรียนรู้จากการกระทําของเรานี่แหละนะแต่ให้เราเป็นผู้เห็นการกระทําของเรานะสระพัสาหลวงพ่อเห็นว่าเป็นผู้ดนะูเป็นผู้เห็นหรือภาษาแบบนักปิยศาตรเนี่ยนะเรียกว่าเป็นผู้สังเกต observe ดู ดูการกระทํำแต่ก่อนเนี่ยเราคิดว่าเราเป็นผู้กระทํำเราเป็นผู้กระทําแต่ต่อไปผู้เจ้าเล็กสอนให้เราเป็นผู้ผู้เห็นการกระทำนะมันต่างกันนะเป็นผู้กระทํากับผู้เห็ น, นเห็นการกระทําเนี่ยมันต่างกันอย่างเราเคลื่อนไหวมือสิบสี่จังหวะเราจะนจงกรม เราแปลงฟันเรากินข้าวเรากวาดพื้นก็ดีเนี่ยให้เราเป็นผู้เห็นเราดูเห็นกายมันทำอะไรเป็นคนเห็นให้ใจเป็นคนเห็นการจะทำที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนียให้เราเป็นผู้เห็นเห็นเห็นเห็นไปเรื่อยๆเมื่อที่ดืมเห็นลืมดูก็กลับมาดูใหมกลับมาเห็นใหม่ กลับมารลึกรู้ว่าเําจะทำอะไรอยู่กลนะับมารู้ใหม่บ่อยๆอันนี้เรียกว่าความเพียนนะให้ทําำเยอะตัวเนี้กลับมาดูกลับมาดนะูดูเห็นว่ากิริยาของกายกำลังทำอะไรโดยไม่ต้องคิดดูเฉยๆนะดูแบบไม่ต้องไปคิดผ้านะไม่ต้องไปคิดพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบเออดูว่าแต่งนี้น มันกาลังทำอะไรแค่นั้นแหละนะดูเื่องใจที่สบายสบายดูแบบไม่เคร่งไม่จ้องดูแบบไม่ซีเรียสนะแต่ถ้าหลงไป ด, ดูไปเมื่อไหร่ก็กลับมาดูใหม่นะี่เราจะมาดูดูกายมันทำอะไรนะอีกส่วนหนึ่งที่อยากให้ดนะูให้ดูด้วยว่าขณะที่ทำนะกิริยาพงนั้นแหละ เราทำด้วยความเครียดหรือทำด้วยความพอดีพอดีผ่อนคลายไหมเช่นบางคนพอคิดถึงการปฏิบัติทำเนี่ยมันจะทำอะไรที่มันไม่ค่อยเป็นธรรมชาติหลายคนพอบอกชเช่นเคยบางคนเคยฝึกอานาปานสติดูลงไหายใจเนี่ยก็จะเริ่มละเริ่มในการทำใจมันแบบนิ่งๆผิดปกติซึ้งๆซึ้งๆ ชิ่เชื่องนะยิ่งบางที่มันพาทำอะไรแบบช้าๆมากมันจะค่อยๆนึกเนิ่ๆสโลโมชั่นเหมือนชั้นไม่ใช้คนปกตินะเหมือนชั้นเป็นอะไรที่มั น, ย, นย้อนย้อนยะุคหรือว่าเหมือนเราดูหนังเนาะพอเราบางทีในโปรแกรมมันก็จะมีให้เลือกแบบให้มันช้าลงกี่เปอร์เซ็นต์นะเราก็จะทำตัวเองมันช้าแบบ ซึ่มันไม่เป็นธรรมชาตนะินะขนาดเราดูอะไรทมช้ชาๆมันก็ชวนให้ปวดหัวเนาะมันก็ชวนให้ไม่สบายยิ่งถ้าเราไปพยายามทําเองที่ช้ชาแล้วก็ดูช้ชาๆช้ชาๆแบบนั้นเนะ่ยดูไปเร่งๆอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ดูไ่ไหวเนี่ยมันจะเหนื่อยนะมันจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เราก็พยายามสังเกตดูไอ้ที่เราเคลื่อนไหวเราทําะไรต่างๆเนี่ย มันสบายไหมนะยกมือตั้งหัเกร็มไหมลองสังเกตดูคล้ายๆถ้าใครเคยเคยฝึกโยคะมาบ้างเนี่ยเป็นการสังเกตกายของเราด้วยนะนั่งนะสบายไหมเกรงไหมยืดเกินไปไหมหลังนงะอเกินไปไห ม, ห น, ไไหมนั่งเทาเทียมมันเอียงกระเทยเลข่ขางซ้ายข้างขวา ต้อมน้นไม่รู้จกปวดแล้วนะเปลี่ยนให้มันสบายขึ้นได้ไหมนะดูให้มันผ่อนคลายพอดีนะไม่ทาให้กายทุกข์กายมัทุกข์อยู่แล้วนะแต่เราไปเพิ่มความทุกข์ด้วยความเคยกรงเ ค, งเ ค, เครียดเนี่ยมันจะทุกข์เพิ่มขึ้นนะดักตอ้องคันนะเวลาเราเคลื่อนไหวกายอะไรก็แลลองหาจังหวะที่มันพอดีพอดีนะถ้าท่านมามัอจะเรียกว่า เป็นวัดที่มันรู้สึกตัวนะอยากเป็นกลารๆให้มันได้นะเนื่อนแรกยปฏิบัติให้รู้จักคำว่ารู้สึกตัวนะรู้สึกตัวแบบไหนมันพอดีนะอันนั้นนะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการเดินตามทางสายกางนะรู้สึกตัวเนะี่ยเพราะถ้าเรามีรู้สึกตัวนะ ถ้าเราไปทำอะไรแบบเก่งเก่งเพ่งเพ่งอันนั้นทีกว่าเป็นความสุดโต่งในด้านการบังคับกายบังคับใจให้เกิดความทุกข์นะี่อาจารย์สอนนะทางสุดโต่งมีสองด้านบังคับกายบังคับใจให้ทุกข์เนี่ยมันเป็นความสุดโต่งนะไม่ใช่เพียงแค่เราอดข้าวอดนะ้ำไปนอนตะปูะไปต่างแดบดบหน้าดําเป็นความสุดโต่งไม่ใช่แค่นั้นนะ ทำกายที่มทุกข์เนี่ยก็สุโต่งนะนะทำใจที่มนทุกข์ก็สุโต่งนะเนะ้วต้องดูนะเออให้มันค่อใคลายพอยดีแล้วกลับมาสู่ความปกติสู่ความรู้สึกตัวอีกด้านที่มันสุดโตรงก็คือติดกับความสุขความสบายความพอใจหรือว่าความหลงเรียก ว, ว่าพอใจใน ตาหูจมูกริมกายที่มันกระตุกกับสิ่งตา่างๆพอใจในอารมณ์ที่เพินที่หลงเราเคเห็นคนนั่งเมาไหมนั่นแหละนั่นขอบหลงเป็นแบบนึงเราเคเห็นคนที่หัวเลาะดังๆเคยเห็นคนที่รอ้อนนรงไห้บ่อยๆไหมหรือว่าติดอารมณ์นั่นเรียกว่าติดอารมณ์หรือเราเคยเห็น เห็นต <mile> ัวเองไหมมันคิดเห็นต่เองมันคิดนั่งคิดนอนคิดนะนอนก็นอนไม่หลับเมือนอนคิดอะไรบ้างก็ไม่รู้นะนอนั่งก็คิดเดินก็คิดกินก็คิดมีไหมอาหน้ำก็คิดอคิดนั่งคิดนี่แต่ละพักเห็นไหมนะอันนั้นเป็นกามสุ่โตอย่างแบบนี้ คือการที่อยู่กับปฏิบัติ้ารไปอยู่กับความคิดการไปอยู่กับอารมณ์นะเนี่ยสวด颂สอ ง, สงด้ปฏิบัติธรรมให้เรารู้ถัดเมื่อหใดที่เราคิดเมื่อหใ่ที่เราหลงเป็นอยู่กับ อ, อารมณ์ต่างๆกลับมาเนะี่ยกลับมาอยู่ฐานเะนี่ยทำอะไรนะมันทําม่ไ้ชัดจะทำให้ชัดขึ้นแต่เนะคลื่อนไหว อ, อย่างเช่นบางค น, นอาจจะง่วงนอนทําให้ชัดขึ้นมันก็ปลุก นะให้ไห ม, มทำขาไม่ชัดก็ลูบหัวให้มัชัดเอบางที่ปฏิบัติไปนุ่งนอนเอาน้าําเป็นเย็นน้ํามาลูบหน้าลูบตัวเออ ม, มันชัดขึ้นมันตื่นขึ้นมาเนี่ยความชัดเจนมันเกิดขึ้นมาหรือบางทีเราตั้งใจเราเกรงเราเครียด เ, เกินไปอืก็ผ่อนทลายสักหน่อยเนาะจะไปเครียดทำไม นะก็ผ่อนคลายร่างกายค่อนคลายจิตใจอันนี้เรียกว่าเป็นการปรับนะไม่สุดโต่งทั้งสองด้านปรับมาสู่ทางสายกลางแต่บางทีอาจจะเบีเ่ยงไปสุดโต่งด้านไหนก็ไม่เป็นไรก็กลับมาใหม่เรียกว่าคอ่อยๆกลับมาหาความรู้สึกตัวนะให้รู้ทันความสุดโตกงทั้งสองด้าน้เนะี่ยเรียกว่าความรู้สึกตัว เราให้สะสมพัฒนานไปเรื่อยๆความรู้ึตัวตัวนี้แหละนะมันจะทําให้เราเกิดการเข้าใจนะเข้าใจตัวจริงๆเนะข้าใจกายเข้าใจใจจริงๆเข้าใจเรื่ อ, อยๆอ่นะมันจะเกิดการพัฒนานเกิดการแยกนะแยกรูปแยกนามขึ้นมาเออเห็นนะให้ตัวเนี่ยที่เราว่าเราจริง มันเป็นส่วนประกอบของคาว่าลูกแล้ก็นามร่างกายจิตใจเท่านั้นแต่เราไปเหมารวมกันว่าไอ้เนี้ยคือตัวเราเนี่ยพอร่างกายมันเจ็บเนี่ยเราก็คิดว่าใจฉันต้องเจ็บด้วยจิต้องเจ็บเราเหมันรวงกันคล้ายๆเหมือนเอาง่ายๆเหมือนสามีภรรยานะบันฉีกเขาบอกว่าร่วมสุขร่วมทุกข์เนี่ยก็ไม่ขึ้นถูกอะไรนะทีิจิตท่านบน คนหนึ่งทุกเนี่ยคนนึ่งอยากไปทุกด้วยถ้าคนนึงปกติเนี่ยมันติดช่วยกันได้ถ้าทุกทั้งสองคนเนี่ยมีแต่พาจนจนกับความทุกข์ใช่ไหมอืมเหมือนถ้าเราโกรธกันคนหนึงโกรธเราเป็นสามีภรรยากันคนนึงโกรธอีกคนนึงก็โกรธด้วยมีแต่แต่ที่ยงแต่ดาทุกตีกันใชไหแต่ถ้าคนนึงโกรธคนนึงปกติเองมันติดช่วยกันได้ใช่ไหมอืม เหมือนกายเราเนะี่ยมันเจ็บท่านใจเราไม่เจ็บแต่เราไม่ทุกขนะ์เน่ยมันถึงจะช่วยกายแต่ถ้ากายก็เจ็บนะใจก็เจ็บเนี่ยมันซ้ำเติมจะไปเล ย, ยเนี่ยจะตายนะเนี่ยมันจะไปแบบนั้นเลยนะถึงไหมเราเกิเหตุไห ม, หนไหมคนป่วยนนหนักเนี่ยกายป่วยหนักใจก็ป่วยหนักเนี่ยโอ้ยอยากจะตายดีกว่านะหรือบางคนแค่ใจป่วยหนัก กายนี่เป็นอะไรเนี่ยก็จะปลอยพาร่างกายตายไปด้วยจะไหมนะฮะมันทุกไปด้วยนะไปทไําร้ายตัวเองด้วยการกินเหล้าไปทไําร้ายตัวเองด้วยการนอนไม่หลับไปทไําร้ายตัวเองด้วยการกระโดดตึกนะเห็นไหมพอเราเห็นความจริงว่ากายกับใจเป็นคนละส่วนกันมันเป็นมันต้องช่วยกันไม่ใช่มาซ้ําเติมกัน ถ้าเราไม่มีสติเี่มันจะตั้มเติมกันนะเมื่อไหร่เอ็นหนึ่งทุกเนี่ยอีกตัวหนึ่งก็จะคลอยทุกไปด้วยแล้วก็จะทวีคูณ น, นะทวีคูณย่อมลำนะักทุกเนะมากขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ตัวหนึ่งทุกอีกตัวหนึ่งไม่ทุกเนี่ยมันจะถ่วยกันลดหารให้มันโดยเฉพาะถ้าเป็นแค่ความทุกของตายแต่ใจไม่ทุกเนี่ยโอ้มันก็เป็นแค่นั้นเนาะ เห็นเป็นธรรมดาเอายมันทุกข์แบบนั้นแหละแต่ใจสามารถที่จะเป็นปกติไม่ทุกข์ก็ได้นะแต่เมื่ อ, อไรที่ใจเรารู้ว่ามันทุกข์บางทีอาจจะเห็นว่าบางทีทุกข์ใจเนี่ยมันเกิดจากการทําของเราเองนะบางทีคนอื่นเพราะว่าเราไม่ใช่เหตุที่เกิดทุกข์นะแต่ใจเราที่มันไม่รู้ทันเนีย ไม่รู้ทันใจของเราเนี่ยแหละมันคือเหตุที่เกิดทุกข์นะมันต่างกันนะเหมือนหมาเนี่ยมีคนมาไม้ไปแย่หมาเนี่ยหมามันกัดไม้นะไม่ได้กัดคนเนียมันคิดว่าเหตุที่มันตัวเองโดนแก้เนี่ยคือไม้แต่จริงไม้นี่มันคือคนคนไปแย่เหตุที่เกิดทุกข์กับเราสิ่งที่ไม่ชอบมีคนมาว่า มีคนมาขโมยมีคนมาเลื้อยหาเก้าอี้มีคนมานะดินทามีคนมาไม่ชอบไม่ใช่เหตุนะ่ะไม่ใช่เหตุนะคนภายนอกไม่ใช่เหตุแต่เหตุที่เกิดทุกข ค, คืออะไรเราไม่ยอมรับความจริงเราไม่พอใจเรายึดมั่นถือมั่นคําพูดนั้นเป็นจริงเป็นจังนะแต่ถ้าเรารู้ทัรโอธรรมดา นะธรรมดาน่าจะทําถูกทําดีทำไม่ถูกทำไม่ดีนะคนรักคนช่างยางนี้ธรรมดาอยู่อย่างคนกินเหล้าน อ, อยานะคนชอบก็เยอะนะมันก็กินด้วยกันนันแหละมันก็ชอบกัน <c oughs> คนไม่กินเหล้าน อ, อยาคนไม่ชอบก็มีนะไปอย่างนี้อันนี้มันเข่งอันนี้มันเกินไปก็มีพระพุทธเจ้าตรงนี้ทนะั้งคนชอบมีทั้งคนชังนะ ไปทางไหนก็มีอ่าไม่ใช่แต่เรานะทุกคนก็มีนะไม่ว่าจะทําถูกก็มีทำผิดก็มีนะพวกเทียเ่ยวเตะต้องรับผิดชอบกันนะพวกไม่เที่ยวจะชอบกันนะมันก็เป็นธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดาถ้าเราไม่รู้จักนะเราก็จะหลงหลงสุขเมื่อมีทําชมเมื่อมีสิ่งดีๆเกิดขึ้น หลงพุง่เมื่อมีสิ่งที่ไม่ดีไม่ชอบใจเกิดขึ้นนะเป็นผู้หลงแต่ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆจากที่บอกว่าเริ่มเห็นสังเกตดูกายไปเรื่อยนะดูกายว่ากำลังทำอะไรดูกายว้าผ่อนคลายนะหรือเปล่าต่อไปส ต, ติมันจะพัฒนามันจะเห็นเห็นใจเออใจไหม ใจค yeah. oh. mm ิดตาเห็นเหมมอนปูงนักไม่สัต์แต่ว่าเห็นเห็นขนมที่อยากมีหมอือหรือตั้งเมื่อไหริกิกิน่เนียเห็นขนมก็ไม่อยากรงมีนะใช่ไหอือบางทีเน่ยพารปทในทุคโดมได้โดมนะบางทีอน่น้ำหวานเนี่ยวดทสามบ้านเนี่ยถ้านอยู่วัาที่เมื่อนเจย แต่พอไปกินโดนโอ้โหมีค่าอร่อยนะอันเนี้ยมันของติดเดียวกันเกิดขึ้นคนละเวลาคุณค่าต่างกันเลยนะเหมือนเรากินอิ่มนะจะเอาเคนกจะเอาพิซซ่าจะเอาหมูฉลามมาเก็ไม่อยากนะอาจจะอยากกินคำของคำพ่อพ่อแล้แต่ถ้าเมื่อไรหิวหิวเนี่ยโอ้ข้าวผัด ของธรรมดาก็กินอร่อยเหมือนกันนั่นแหละเนี่ยจิตใจของเราทุกเหมือนกันถ้าเมื่อไรที่เรากิ่มในธรรมความอยากจะปุงแต่ในตา่างมันจะไม่มีนะมันจะไม่มีหรือถ้ายางไม่อิ่มดีแต่ก็อิ่มพอสมควรเนี่ยก็จะปูมน้อยความอยากมันจะเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเราอย่างคล่องนะ เรายาังคล้องเรายังไมรู้จักพอเหมือนคนอยากจะรวยเป็นมหาเศรษฐีเนะี่ยพราะคิดว่าตัวเองไม่รวยพอแต่จริงอ่จะรวยเป็นลอยล้านนู้นะแต่ยังไม่พอนใช่ไหอมั น, มนยังไม่พอไม่พอที่ไหนไม่พอที่ใจไม่ใช่ไม่พอที่ข อ, นะ อ, ง, องนะเราถามไปเองแต่เสื้อผ้าเราเนี่ยมีเป็นร้อยตัวเนี่ยใส่ถึงมันตายมีความไหม พอไหมพอนะแต่พอเหตขอใหม่อมยังไม่พอนะมันยังไม่พอต้องมีเพิ่มมาฮะนะใช่ไหมอมอมคนรักของเราก็มีหลายคนนะพ่อแม่กะรักเรานะออออพี่น้องหลายคนก็รักเราเพื่อนเราเยอะนะแต่บทีเราก็ยังอยากได้ตักคนมารักเพิ่มอีกนะใช่ไหมบางคนเนี่ยต้องหาคนพิเศษมา เป็นคนรักเพิ่มนะจะมีความสุขก็มีนะเพราะอะไรไม่รู้จบพอนะแต่ถ้าเราพอกนะับทุก อ, อย่างได้เนี่ยสิ่งที่เข้ามาเกินเนี่ยไม่เป็นไรมันจะได้มองสิ่งที่หายสิ่งที่ขาดมันจะเออเราพอแล้วสิ่งที่เกินมาเหมือนเป็นของแถมเป็นของพิเศษไม่ ป, ปฏิเสธแต่ก็ไม่ได้หลงดีใจเกินไปนะ แต่ถ้าคนไม่รู้จักพอเนี่ยจะมองที่ไหนฉันก็ขาดฉันก็ไม่พอฉันก็อยากจะได้ตลอดเราจะเห็นเนี่ยใจเราเนี่แหละมันไม่พอนะจรนะิจริงคิดก็ไม่พอแต่ตนะิดคิดอยู่แลบนั้นแหละนะสุกก็ยังไม่พอแต่จะสุกแบบนี้ต่อนะอยากเห็นอะไรต่างก็ยังไม่พออยากจะเอามันเป็นของเรานะ เอามาแล้วมันไม่ให้ไปอื่นได้ดีแต่ขอให้ผ่านเราสักหน่อยนะใช่ไหมอืมขอผ่านชั้นชั้นจัดการเองนี่ขอไม่ขอบางทีมันเด็ดเ ด, น, เด น, นอยแบบนี้นะอืมอ่าอันเนี้ยเราสังเกตเราจเห็นนีเห็นว่ามันจะวางได้ทั้งด้านบวกก็ด้านลบนันะ่นแหละเห็นตัดแต่ว่าเห็นพอตัดแต่ว่าเห็นเนี้ยคือพอ รู้ซื่อๆนะั่นคือพอนะรู้แต่ก็พอไม่ได้วงต่อแต่ไม่พอเนะี่ยมันจะรู้แล้วถ้ากลายเป็นชอบเป็นชงังนะเหมือนกับต้นไม้อย่างเียวนะพอมันเกิดลําต้นขึ้นมามันจะมีกิ่ง น, นะเกิดลําต้นขึ้นมาแล้วไม่ได้ตับแต่ว่ารู้แต่กิ่งข้างซ้ายคือพอใจแก่แต่กิ่งข้างขวาไม่พอใจ <c oughs> พอไม่พอใจ กิ่งมันก็จะแตกแขนงออกไปนะน่ไม่พอใจก็อยากจะเอาออกไปเกยไปไม่อยากเจอดีกเกียร์กิงด้านขวาพอใจเอออยากจะยึดไว้แต่กจะกินอยาจะเทต่อไปเรื่อยๆนะต้นไม้ตรง น, นี้พอออกลูกนะก็ เ, เกิดต้นใหม่แล้วก็ปลูกต่อเรื่มใหม่เคยไหมเวลาเราคิดเออไม่นะ ติมคิดจบเรื่องหนึ่ง น, นะหาเรื่องที่สอนไปคิดต่อต้นที่สามไปคิดต่อไม่ไมพอนะแต่ถ้าเป็นเมื่อไหร่ที่เรารู้ทันเอ้นพอแล้วตน้นเมื่อกี้กปลูกมาตั้งนานแล้วก่อรัฐมากลับมารู้สึกตัวใหม่ไม่ได้ปลูกต้นใหม่ต่อก็แค่นะั้นแต่ต้ไนไม้ทำรูปมีควรปลูกนะแต่ต้นไม้ทางความคินะคคมดเนี่ยควรตัดนหลวงพ่อครูบาอาจารย์ต้องบอกว่าอภิชาคือปา่า ป่าคือความหลงเมืนอนเราหลงป่าเนะี่ยป่าถ้าเราหลงเงยอะๆเนี่ยหาทางกอับไม่ได้นะเราคนที่ตัดป่าความหลงพอตัดแล้วมันโล่มันเตียยเนะี่ยโอ้โหเห็นนะหมู่ บ, บ้านเนี่ยจะได้กลับบ้านถูกนะการวิจารณตัดป่าเอาวิชาออกไปเรื่อยๆเราจะได้เปิดโลกนะภูมิประเทศนะเปิดโลง เพราะอะไรเราต้องหาทางกลับบ้านนะบ้านที่แฮ้จริงคือความปกติบ้านที่แท้จริงคือความไม่ทุกบ้านที่แท้จริงคือความไม่เป็นอะไรกับอะไรกลับมาหาความไม่เป็นอะไรกับอะไรหาความเป็นปกติให้ได้เนี่ยกลับมากลับมารู้สึกตัวกลับมาไม่หลงกลมแปลกลับมาไม่เป็นอะไร อะไรกับอะไรนะคือการสุดยอดของชีวิตนะสุดยอดของการภาวนาเนาะให้เราได้ตั้งใจกลับมาหาความเป็นปกติของกายของใจนะเราจะได้เข้าถึงชีวิตที่สุดยอดชีวิตที่มีค่าที่สุดนะชีวิตที่คุ้มค่าที่สุดนะชีวิตที่เห็นไม่เกียที่ได้เกิดมาแล้วนะ ถ้าเข้าถึงจุดนี้ไนดะ้ไม่เสียดายคุ้มค่าพอใจตายเมื่อไหร่ก็ได้จริงๆ